เราก็ให้ไปทางนั้นไปตามที่เราได้กําหนดไว้ว่าเราจะไปกระเะติมนี้แหละพอไปแล้วต้องกําหนดเส้นทางอีกว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมีกี่เลี้ยวกว่าจะถึงซากศพเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาต้องจําทางให้แม่นจะบอกต้องจําให้แม่นเลยว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วก็มีกี่เลี้ยวจึงจะถึงทซากศพพอไปถึงแล้วเราควรจะยืนที่ตรงไหน ควรจะดูทิศทางลดว่าเราควรจะไปทางไหนดีท่านบอกว่าการเดินทางไปสู่ซากศพนี้จะต้องไปเหนือลมตลอดเวลาอย่าเดินใต้ลมเหนือลมเหมายถึงว่าอย่าไปอยู่ใต้ลมที่ศุนอนตายอยู่จะต้องไปเหนือลมที่ไปเหนือลมนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นของศพเนี่ยมากระทบจมูก ต้องหาเส้นทางที่อยู่เหนือลมเนี่ยอยู่เสมอแต่ถ้าหากว่าเส้นทางที่เราจะไปเหนือลมไม่มีท่านก็สอนว่าจะต้องเอาจีวร อ, อุดจมูกอย่าให้กลิ่นนี่มากระทบจมูกเพราะมิฉะนั้นแล้วเทศสงที่จะไปเจริญกรรมาฐานอาจจะไม่ถึงทราบศพอาหารเก่าอาจจะออกมาเสก่อนก็ได้แล้วก็ต้องเอาเอาผ้าอุดจมูกเสก่อนแล้วก็จึงจะเดินไปพอไปถึงก็ต้องดูว่าเราจะยืนที่ตรงไหน ต้องยืนเหนือลมอีกไม่ใช่ไปยืนใต้ลมยืนเหนือลมเด็กผิ่นก็ไม่รบกวนแล้วก็ต้องดูว่าศพนอนเราจะยืนด้านศรีรษะหรือด้านปลายเท้าศพแน่นอนศรีรษะไปทางไหนถ้าเราไปยืนเพ่งตรงศรีรษะเกินไปอารมณ์กรรมาฐานก็ไม่ชัดเจนต้องขยับสักนิดหนึ่งให้อยู่ระหว่างกลางกลางท่าศพ เราจึงจะได้พิจารณาทราบศพเนี่ยได้ชัดเจนตั้งแต่สีาวิ้นปลายเทา้าต้องรู้ด้วยถึงวิสภาคหรือวิสภาคารมเพราะว่าศพที่เราจะไปเนี่ยเราต้องศึกษาดูก่อนว่าศพนั้นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าศพนั้นเป็นผู้หญิงเพิ่งตายใหม่ ก็เป็นวิสภาคารมแก่ภิกษุที่จะไปเพ่งกรรมฐานถ้าหากว่าศพนั้นเป็นผู้ชายก็เป็นวิสภาคารมแก่ผู้หญิงที่จะไปเจริญกรรมฐานเพราะว่าเรื่องของเพศนั้นเป็นวิสภาคารมซึ่งกันและกันระหว่างหญิงกับชายท่านบอกว่าไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสัมผัสอะไร ที่จะมีอิทธิพลครอบครอบนำจิตใจของชายได้เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสของหญิงและก็ไม่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอันใดที่จะครอบนำจิตของสตรีได้เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสของชายเพราะฉะนั้นหญิงกับชายจึงเป็นมิตรภาคารมซึ่งกันและกันอารมณ์อนั้นจึงเป็นมิตรภาทะต่อกัน ฉะนั้นถ้าหากว่าตาศกนั้นเกิดเป็นศกผู้หญิงเพิ่งตายใหม่ๆจะทํายังไงต้องสมรวมจิตอย่างมั่นคงทีเดียวว่าเราจะต้องไปเจริญกรรมฐานมุ่งที่จะไปเจริญพระกรรมฐานเพียงอย่างเดียวเพราะท่านกล่าวว่ารูปที่ครอบงาจิตใจของชายนั้นก็คือรูปของสตรี ะตรีนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะร้องไห้จะหัวเราะแม้กระท่านตายแล้วก็ยังเป็นที่รึงรัดจิตใจของชายอยู่ดีระหว่างอิท ธ, ธิพลของหญิงที่มีต่อชายส่วนผู้ชายที่มีต่อหญิงก็เช่นเดียวกันย่อมจะเป็นวิสภาค ก, กันอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าถ้าเราจะไปจรินพระกรรมฐานในทร้บสุดของหญิง พิสูจก็ต้องสมรวมจิตให้มั่นคงว่าเราจะไปเจริญกรรมาฐานจิตใจจะต้องไม่วกแวทอินทรีย์ทั้งหกประการเนี่ยต้องมั่นคงอย่างที่สุดและพร้อมกันนัจะต้องไม่วังไหวด้วยด้วยสิ่งแวดล้อมจะเป็นเสียงใบไม้พัดเสียงไม้เสียดสีกันหรือเสียงอะไรที่มันน่าหวาดเสียวหวาโดโกรกขึ้นจะต้องไม่หวาโดโกรกทั้งนั้นจะต้องมีจิตมั่นคง เพราะถ้าหากว่าอินทรีย์หกไม่มั่นคงแล้วเนี่ยพอเดินไปในป่าเสียงไม้เสียกันลั่นดังเอี๊ยดขึ้นหวังหายแล้วขวนลุกชูชาญว่ผีหลอกแล้วผมสุดท้ายก็ต้องโกยอ้าวกลับวัดไม่ทําได้เจริญกรรมฐานเนี่ยท่านจึงสอนใ ห, ใ ห, ให้มีสมาธิให้มั่นคงไปก่อนแล้วจึงจะไปเมื่อไปถึงเราต้องกาหนดทิศทางไว้ให้ดี ว่าเราเนี่ยยืนอยู่ทิศทางไหนควรจะยืนห่างจากศพประมาณเท่าไหร่ถ้าใกล้เกินไปก็ไม่ดีไกลเกินไปอารมณ์ที่เพ่งก็ไม่ชัดฉะนั้นต้องยืนให้ได้ระยะพอดีพอดีว่าเราเจะยืนห่างจากซากศพกี่แค่ไหนแล้วก็จึงสารวมจิตเพ่งดูศพการสารวมจิตเพื่อไปเพ่ง ดูศพเนี่ยก็บอกให้ดูโดยสีประการแรกโดยสีประการที่สองโดยเพศประการที่สามโดยสันฐานประการที่สี่โดยทิศประการที่ห้าโดยอาตาาและประการที่หกโดยบริเขตที่ว่าให้เพศโดยสีก็คือสีของศพศกนั่น เป็นสีขาวหรือสีดําเขียวคร่ำหรือสีอะไรต้องกําหนดสีให้ได้ก่อนโดยเพศก็คือศพนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชายโดยสังขานก็คืออ้วนหรือผอมศพที่เราเพ่งเนี่ยรูปร่างอ้วนไหมผอมไหมโดยทิศก็คืออยู่ทิศทางไหนโดยโอกาสก็คือโดยถานที่ที่อยู่สิ่งแวดล้อม โดยบริเชษจะคือศพนั้นเป็นท่อนหรือเป็นอะไรเราจะต้องกาหนดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้โดยละเอียดเมื่อกาหนดโดยละเอียดแล้วเราจึงเพ่งจึงไปเจริญอสภาะกรรมฐานนั้นทีนี้ปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันในตอนนี้ก็คือก่อนที่จะไปเท่งเนี่ยศพที่จะเป็นสปายะแก่จริตของบุคคล ไม่เหมือนกันเพราะว่าิจริตของคนเนี่ยต่างกันอสุภะบางอย่างไปเจริญแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็มีเพราะว่าิจริตของคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันเหมือนกับบุคคลที่จะไปเจริญกสินก็ต้องพิจารณาถึงจริตก่อนว่าคนนี้มีจริตอะไรจึงจะเจริญกรสินแบบไหนได้ผลจากการไปเจริญกระสินแม้การไปเพิ่มอสุภะทั้งสการนี้ก็เหมือนกัน อสุภะทั้งสิบประการเนี่ยจะเป็นสปายะแก่บุคคลที่ไปเพ่งไม่เหมือนกันอีกถ้าบอกว่าอย่างาาาอุทธมาตกะอสุภะเนี่ยศพที่ขึ้นพองศพชนิดนี้เป็นสปายะแก่บุคคลผู้มีความกำนังในสวด颂หมายความอย่างบุคคลที่มีความนิยมว่า เราเนี่ยนิยมคนที่มีสวดทรงรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เช่นนิยมคนอ้วนก็มีบางคนก็ชอบคนอ้วนบางคนก็ชอบคนผอมบางคนก็ชอบคนที่รูปร่างกําลังดีไม่อ้วนไม่ผอมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องของความกําหนัดเกี่ยวกับส่วนทรงทีนี้คนประเภทเนี้ยต้องไปเพ่งกรรมฐานประเภทอุตมมาตกะคือประเทศอุทมมาตกะแล้วกรรมฐานอเ น, นี่ยจะ จะประกาศถึงความรู้บัตรของส่วนทรงว่าคนนี้ถึงจะมีเอลเท่านั้นอกเท่านี้สะโพกเท่านั้ น, น, นแต่พอเน่าแล้วก็ท้องอื่นเหมือนกันอาการท้องอืดของตราบสดประกาศความรู้บัตรของส่วนรงว่าส่วนรงทั้งหลายที่เราวัดกันว่าปีนี้ทํานั้นเท่าี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ปีนี้เอจะเพียงยี่สิบสามแต่ปีหน้าอาจจะเป็นสามสิบสามก็ได้ไม่แน่ ดังนั้นถ้าหากราศพที่พองแล้วคนที่นิยมในสวดทรงวัดเราจะต้องชอบคนสรวดทรงอย่างนั้นอย่างนี้ความวิบัติของสวดทรงเนี่ยจะปรากฏให้เห็นวันมาตายแล้วทรงเหล่านี้ก็หายหมดจะเป็นทรงอะไรก็ตามก็หายหมดเพราะความเน่าทองของศพเนี่ยประกาศความวิบัติให้อุทมาสก่าอสุภาพธรรมฐานนั้นจึงเหมาะแก่บุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวกับเรื่องสวดทรงมีความนิยมในเรื่องสวดทรง ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นวิณีลกากอสุภะท่าบศพที่เขียวคร้ำท้าบศประเภทนี้เป็นสปายะแก่บุคคลผู้มีความนิยมในในสีของสรีระในสีของสริระเนี่ยหมายถึงว่าคนนิยมว่านิยมมากคนที่เราชอบ หรือคนที่อยู่ในรสนิยมของเราจะต้องเป็นคนอชอบสีนั้นสีนี้เช่นจะต้องย้อมผมสีนั้นจะต้องย้อมผิวกายเป็นสีนี้อะไรต่างๆ น, นี่นิยมสีในร่างกายหรือนิยมเครื่องประทินผิวต่างๆว่าควรจะใช้เครื่องปะทินผิวอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะถูกถูก อ, กอกถูกใจของคุณคนนั้นของคุณคนนี้แล้วก็พยายามที่จะฉาบทาผิวต่างๆสีต่างๆ บุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวกับสีหรือเครื่องชาบทานในศรีระร่างกายนั้นถ้าไปเจริญประเภทศที่มีละกะอาอสุภะแล้วเมื่อมีละกะอาอสุภะเหี่จะประกาศความจริงให้เห็นว่าสีต่างๆนั้นเมื่อตายแล้วมันก็วิบัติไปหมดพรอศพจะเน่ามันก็จะเขียวคล้ำอย่างนี้สีที่สวยงามเนี่ยก็หายไปหมดบุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวกับเรื่องสีนั้นก็จเจริญ ศพประเภทเนี้จึงจะเป็นสตายะตตอกันแล้วก็ประโยชน์แก่ บ, บุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวเรื่องเหล่านี้ทีนี้ทาศพที่เป็นวิสุพกัปคือศพที่มีหนองแปดพายธรรมนาบุคคลบางประเภทเนี่ยนิยมในกลิน่นเช่นนิยมว่าคนที่อยู่ในรสนิยมของเราจะต้องใช้กลิ่นน้ำหอมประเภทนั้นใช้กลิ่นน้าหอมประเภทนี้ ถ้าก่นน้ำหอมประเทศอื่นก็ไม่ชอบใจชอบพโชกลิ่นน้ำหอมอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อไปเห็นศพประเภทวิบู ป, ประกาศแล้ววิบู ป, ประกาศเนี่ยจะประกาศถึงกลิ่นที่แพ้ออกมาว่าแม้เราจะใช้กลิ่นอะไรก็ตามเถอะพอตายแล้วกลิ่นก็เหม็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าวิบู ป, ประกาศนี่เป็นเป็นซากศพที่หนองไหลออกมาน้นหนองนัง้ น, นย่อมเหม็นอบอวนอยู่แล้ว ระหว่างที่ยังไม่ตายเดี๋ยวเราจะใช้น้ําหอมพยายามชโรมไล่ร่างกายให้หอมสักเพียงใดแต่เมื่อตายแล้วกล่องเห็นอย่างนี้ประกาศกลิ่นที่แท้ห่ะกลิ่นที่แท้จริงของคนแต่ละคนน่ะเป็นกลิ่นอย่างนี้ส่วนกลิ่นอย่างนั้นเป็นกลิ่นชั่วคราวที่เรามาฉาบพากันคนนั้นก็เป็นสปายะแต่บุคคลผู้มีจดิตอย่างนี้หรือมีรสนิยมอย่างนี้อ่าสำหรับประเภทที่สี่ คือวิชิตกับศพที่ขาดศพที่ขาดพ่ายไปเช่นศพที่แตกระจัดกระจายเนี่ยศพประเภทนี้เหมาะกับบุคคลผู้มีความตำหนักหรือรสนิยมเกี่ยวกับเรื่องของก้อนเนื้อเช่นระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยชอบ ชอบุคคลที่ที่จะถูกใจตัวเองว่าจะต้องมีก้อนเนื้ออย่างนั้นมีก้อนเนื้อตรงนั้นอย่างนั้นตรงนี้อย่างนี้นิยมที่ก้อนเนื้อและเมื่อถึงคาวจริงๆเขาไอ้ก้อนเนื้อที่จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันก็กระจัดกระจายให้เห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่จะจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นนี้ต่อไปได้ต้องกระจัดกระจายเป็นนที่สุดก็เป็นสปายะแกบุคคลผู้มีความตำหนักในเรื่องนี้ส่วนอัศวะธรรมฐานประเภทที่ห้า วิขาดยิบตกศัศคือศพที่ถูกตั์ยื้อแย่งกินศพที่ถูกตั์ยื้อแย่งกินเนี่ยจะเป็นซากศพที่กระจัดกระจายหาชิ้นดีไว้ไม่ได้ในร่างของศพขาดรุ่งริ่งไปหมดศพประเภทนี้เป็นสปายะแกบุคคลผู้มีความกำหนักในความนูนของ ตรีระร่างกายเช่นอย่างที่นิยมกันในปัจจุบันเนี้ยนิยมในส่วนสัดของร่างกายตรงนั้นจะต้องโตเท่านั้นตรงนี้จะต้องเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยบุคคลประเภทนี้ต้องไปเจริญศพประเภทนี้พอเห็นธาตุศพที่ถูกสัต์ยื้แย่งกระจัดกระจายแล้วก็จะประกาศให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ตนเองนิยมนั้นก็เป็นของที่ไม่เพี่ยงแท้ถาวรขอสุดท้ายก็แตกกระจัดกระจาย ไปอย่างนี้ทั้งสิ้นเนี่ยเหมาะกับบุคคลผู้มีความรู้สึกเกี่ยวกับบุคคลที่ตนเองนิยมว่าจะต้องเป็นบุคคลประเภทไหนป ร, ประเภทที่หกที่เรียกว่าวิคิตรกะอสุภะวิคิตรกะอสุภะนี้หมายถึงศพ ท, ที่เรียร่าศพที่เรียร่าคือศพที่กระจัดกระจายจะกระจัดกระจายเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็าตาม ย่อมสปายะแกบุคคลผู้ที่นิยมในลีลาของอวัยวะลีลาของอวัยวะในหมายถึงลีลาของการเดินการยืนการนั่งการนอนบางคนนิยมว่าคนที่อยู่ในความนิยมของตนเองจะต้องเป็นคนที่มีลีลาการเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องมีอวัยวะตรงนั้นเคลื่อนไหวอย่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างนี้นนเนี่ยประเภทนี้ต้องไปเจริญอสุภกรรมฐานอย่างนี้จึงจะเกิดประโยชน์ เพราะว่าศพที่กระจัดกระจายนั้นได้ประกาศถึงความวิบัติถึงลีลาในอัยุวะต่างๆเนี่ยให้เห็นได้ชัดเจนว่าผลสุดท้ายก็ต้องแตกสลายไปในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่เป็นของถาวรประเทศที่เจ็ดข่าววิตรกรบคือศพที่ถูกฆ่าและถู ก, กเรียรา่ราศพเหล่านี้เหมาะกับบุคคลผู้ที่ ามีความนิยมในความพร้อมมูลแห่งศรีระในความพร้อมมูลแห่งสตรีระเนี่หมายถึงว่าเป็นคนที่มีรสนิยมเกี่ยวกับบุคคลที่ตนเองชอบว่าจะต้องสมบูรณ์หมดทุกอย่างอาวัยวะในร่างกายจะต้องสมบูรณ์พร้อมหมดแล้วก็ชอบบุคคลประเภทนี้ต้องไปเจริญอสุภาพแบบนี้จึงจะเห็นว่าความสมบูรณ์ความถึงพร้อมบริบูรณ์ของศตรีระร่างกายนั้น มันก็แตกกระจายไปได้และเมื่อแตกกระจายแล้วก็จะเห็นความข้อมูลอันนี้อยู่ตลอดไปไม่ได้เลยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเหมาะกับบุคคลประเภทนี้คือประเภทที่เจ็ดอสุภาพประเภทที่แปดคือโลหิตกะหมายถึงศพที่มีเลือด ก, กําลังไหลออกตามทวารต่างๆศพที่กําลังมีเลือดไหลออกตามทวารต่างๆนี้ เหมาะกับบุคคลที่นิยมบุคคลที่มีรสนิยมในเรื่องของการแต่งกายในเครื่องประดับประดาอันหรูหราว่าคนที่เราชอบนั้นจะต้องเป็นคนแต่งตัวเก่งจะต้องมีอะไรต่ออะไรเนี่ยประดับประดาร่างกายมากมายที่คอจะต้องมีไขมุกกี่พวงเหล่านี้มีสร้อยมุกกี่พวงที่หูจะต้องมีต่างหูเท่าไรยาวสักเท่าไร เครื่องประดับระดาต่างๆเหล่านี้ที่เราได้แต่งตัวกันอยู่ในปัจจุบันแต่พอตายแล้วเลือดไหลออกจากซาบศพถ้าพูดถึงเรื่องของอสุภากรรมฐานแล้วโบราณย่อมจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่ากรรมฐานประเภทนี้มีหลักปฏิบัติอย่างไรเพราะในสมัยโบราณ น, นั้น พระเทระท่านนิยมเจริญอสุภะกรรมฐานมากแต่ปัจจุบันนี้หาได้ยากอรุภะในปัจจุบันนี้อยู่ในฐานะเป็นพิธีการเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับรูปร่างกายว่าอันเนี้ยเป็นของเราเช่นในความยึดมั่นวหล่านี้ต้องเป็นของเราใครจะมาแย่งชิงเอาของของเราไปเนี่ยไม่ได้อย่างความยึดถือในความเป็นศัตว์เป็นบุคคล แต่ถ้าเราเห็นคนที่ตายแล้วก็กําลังถูกนอนชอนชัยอยู่ก็จะเห็นว่าโให้สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยความจริงมันไม่ใช่ของเรานอนยังเป็นเจ้าของเลยเดีย๋ยวว่าแต่คนมาใชัยเลยนอนมันก็ยังใชัยได้เราจะไปยึดถืออะไรมากมายถ้าเรายึดถือว่าเป็นของเราใครจะมายุ่งมาได้แมนจะมาใชา้จะมาเกาะอะไรไม่ได้แต่ตายจริงๆรนอนชัยเต็มไปหมด เราก็จะได้ไม่ยึดถือมากนะักว่าแม้เป็นนอนมันยังใช้ได้เลยเป็นของเราที่ไหนของคนอื่นแท้ๆนอนเองยังเป็นเจ้าของอย่างเนี้ความยึดถือในความเป็นสับ์เป็นบุคคลหรือในความเป็นตัวเป็นตนตนั้นก็จะลดน้อยลงส่วนประเภทที่สิบคืออัติกาอัติกาหมายถึงการไปเท่งเอาโครงกระดูกเป็นอารมณ์สปายะแก่บุคคลผู้ที่มี ทันตะสมบัติผู้ที่มีความนิยมว่าคนนั้นจะต้องมีฟันสวยฟันจะต้องเรียดอย่างนั้นอย่างนี้จะนิยมแต่ทึก <c oughs> ดาวตาจริงๆก็ลองดูบ้างสิว่าจะสวยแค่ไหนฟันที่มีอยู่ก็หลุกเหลือแต่เบ้าตาโบเป็นโครงกระดูกอยู่อย่างนั้นคนที่นิยมเกี่ยวกับเรื่องอทันตะสมบัติเหล่านี้ก็จะได้ลดความนิยมลง อสุภสิทธิ์นี้จึงเป็นสปายะแก่จริตของบุคคลแต่และบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันเดียเป็นเป็นหลักวิธีปฏิบัติในอสุภกรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วก็ท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านก็มรลจนาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่บุคคลที่มีศรัทธาที่จะเจริญอสุภกรรมฐานนี้ไว้ในสมาธินิเทศ หลักการจริญสุภากรรมฐานนี่ยังมีความละเอียดละอออีกมากหลายอย่างซึ่งความละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอย่างนี้สมาจะได้มาบรรยายให้ทราบในวันอาทิตย์ต่อไปซึ่งยังมีเกี่ยวกับวิธีการที่ละเอียดอีกหลายอย่างสำหรับท่านทั้งหลายที่สนใจต่อการปฏิบัติก็จะได้เลือกเอาว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร แม้เราจะไปงานศพก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องว่าเราไปงานศพเนี่ยเราจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างแม้เห็นคนนอนตายกลางถนนก็จะได้รู้จักพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ก็จะเกิดสมบัติที่เป็นคุณสมบัติขึ้นแก่เราได้โดยบรรเทากิเลสต่างๆในใจให้ลดน้อยถอยลงตามลำดับได้อย่างดีซึ่งอันนี้จะได้นำมาบรรยายในวันต่อไป วันนี้ตมามาบรรยายช้าก็บรรยายชดเชยให้ครบบริบูรณ์หนึ่งชั่วโมงแล้วการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรเก่กเวลาขอขอบใจทุกท่านที่ได้สละมาในวันนี้ออท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิมัสในวันอาทิตย์นี้เราจะได้เริ่มศึกษาถึง หลักปฏิบัติเพื่อเกิดสมาธ่ในหมวดต่อไปกลั้งก่อนเมื่อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอภิภาตกรรมฐาน1ิให้ท่้งทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้ววันนี้จะอธิบายถึงอนุสติส0ิอนุปตินั้นคือการใช้สติ่อลึกถึงคุณต่างๆเป็นอารมณ์ เริ่มตั้งแต่จะลึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์รัปฏิบัติในบทนี้ง่ายกว่าอนุสติอ น, นง่ายกว่าอคุภะกรรมฐานที่เราได้ศึกษาผ่านมามากเพราะว่าในรับปฏิบัติอนุสติจิตการนี้เราไม่ต้องมีความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องวิธีการที่เราจะปฏิบัติเหมือนกับการเจริญกสิณ หรือการไปเพ่งอสุภกรรมฐานอื่นๆก็ อ, อุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้นไม่มากมายเหมือนกับอนุสเหมือนกับการเจริญสมาธิในข้ออื่นๆแต่ว่าในอนุสติศิธการนี้มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติ สีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานุสติมรณานุสติแล้วก็มีอุปัตมานุสติซึ่งแต่ละแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งเป็นหลักปฏิบัตินั้นไม่ยุ่งยากเหมือนกับวิธีการปฏิบัติในด้านอื่นๆ แต่การเจริญสมาธิประเภทนี้เรานั่งที่ไหนก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ในสถานที่นั้นๆไม่ว่าเราจะขึ้นรถลงเรือหรือจะไปนั่งอยู่ในสถานที่ใดเราก็สามารถทำสมาธิจิตในข้อนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในข้อที่เรียกวาา่ารุสตินี้เป็นสปายะแก่บุคคลผู้มีศรัทธาจริต หรือมีปกติเลื่อมใสยอยู่ในประพุทธธรรมพระสงค์อยู่แล้วท่านกล่าวว่าผู้ที่มากเลื่อมศรัทธาย่อมปฏิบัติกรรมฐานเหลา่านี้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นเพราะศรัทธานั้นเป็นเครื่องเสมสร้างอย่างดีแก่ผู้ที่เจริญอนุสติอย่างการเจริญศรทธานุสตินี้ เราจะสังเกตได้จากหลักการปฏิบัติของพระเถระสมัยก่อนท่านมักนิยมเจริญพุทธานุสติเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าง่ายหรือสะดวกแก่การปฏิบัติ mm hmm. การเจริญพุทธานุสติก็คือการใช้สติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การนึกเอาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี้ เรานึกได้ทุกแห่งแล้วก็นึกได้ทุกเวลาจะนึกเวลาไหนก็ได้เมื่อนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ครั้งหนึ่งจิตพวกเราก็สงบไปครั้งหนึ่งท่าทั้งหลายจะลองสังเกตดูได้ว่าถ้าเราใช้สติระนึกถึงคุณของพระพุทธองค์เป็นอารมณ์จิตใจพวงเราก็จะสงบเยือกเย็นและในขณะนั้น เครื่องกลมองต่างๆก็จะเข้าครอบนําจิตไม่ได้แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่เข้าใจความหมายในหลักปฏิบัติเหล่านี้อย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่างทุกวันที่เราไหว้พระสวดมนต์อยู่เราสวดสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่เป็นประจำ อย่างการสวกดกระสริมพระพุทธคุณนั้นราก็ขึ้นว่ากิตติปิโสภัวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุโทโธภัวาติ เราสวดสรรเสริญกันอยู่ถ้าทำวัดช้าวัดค่าก็ต้องสวดสรรเสริญพระพุทธคุณทั้ง๙บทนี้อยู่เป็นประจำการเป่งว่าพิติพิโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโทนั้นเป็นการใช้วาจาในทางที่ชอบและบุคคลที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้ก็มีประโยชน์ดีในด้านของศีลสมา ธ, ธิและปัญญา หรือในด้านของความพิจิตทางกายวาจาใจเพราะในขณะที่เราเปร่งว่ากิตติโสพัท ว, วาอารหังนั้นเราก็ใช้วาจาไปในทางที่ถูกที่ชอบไม่เป็นวจีพิจิตแแ้วเรายกมือถน ม, ม อ, อยู่เราประนมมือไหว้กราบระอยู่เราก็ได้คุ้มรวญทางกายแล้วในขณะนั้นเราไม่ได้ใช้มือของเรา ไปฆ่าปรับปรับชีวิตไปรักทรัพย์หรือเบียดเบียนสับเหล่าวดเหล่าหนึ่งให้เดือดร้อนแล้วเพราะว่ามืออยู่ในริยาบทของกาลพระนมอยู่เรานอมจิตนึกถึงพระพุทธองค์เป็นอารมณ์จิตก็ไม่ได้คิดผูกพยาบาทใครจิตไม่ได้คิดไปโลภอยากได้สมบัติของใครมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมเราไม่ได้คิดผิดหรือเห็นผิด แต่จิตนี้นึกถึงแต่กุลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ผู้ที่ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าได้ถึงพร้อมแล้วด้วยวจิสุจริตกายสุจริตและมนโนสุจริตท่านกล่าวว่าผู้ที่เปร่งวาจารสรสรรญ์พระพุทธธรรมพระสง์อยู่เสมอเสมอนั้นวาจานั้นย่อมเป็นวาจาที่ดี ท่านอุปมาว่าวาจานั้นย่อมเป็นวาจาประดุจดังดอกไม้ซึ่งคําพูดหรือวาจาเช่นนั้นก็เป็นปลายด้วยความหอมเย็นเป็นประโยชน์แก่ บ, บุคคลอื่นเพราะว่าได้ใช้วาจานั้นไปในทางที่ดีงามทั้งผู้ที่ใช้วาจาเช่นนี้ท่านก็กล่าวว่าย่อมเป็นมงคลแก่ บ, บุคคลอื่นถ้าหากว่าให้สีนให้พรใคร ก็ทําให้บุคคลผู้นั้นได้สําเร็จในสิ่งอันสูงตราฐานได้คนนี้เป็นความจริงเพราะการให้สิ่ให้พรก็คือการใช่วาจานี้ไปพูดสรรเสริญ ใ, ให้เกิดความสวัสดีมงคลแก่บุคคลอื่นดั น, นั้คนที่จะมีวาจาดีเป็นมงคลกับบุคคลเหล่าอื่นนั้นก็เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวาจาสะอาด ที่มีวาจาสะอาดก็คือมีปกติใช้วาจาในทางที่ดีอยู่เสมออย่างคนที่ปากไม่ดีหรือคนที่ใช้วาจาที่ไม่ดีเช่นใช้วาจาไปพูดคําเท็จคาหลอกลวงบุคคลอื่นให้หลงผิดก็ดีหรือบุคคลที่ใช้วาจาไปส่อเสียดยุยงให้เขาแตกสามขีกันก็ดีหรือบุคคลที่ใช้วาจาไปในทางหยาบคายเช่นชอบพูดคำหยาบ ด่าพ่อร่อแม่คนอื่นเขาก็ดีนินทาว่าร้ายคนอื่นก็ดีหรือคนที่ใช้วาจาในทางเหลวไหร้สาระจะดีบุคคลเหล่านี้ถือว่าปากไม่เป็นมงคลถ้าปากไม่เป็นมงคลเช่นนี้แล้วถึงจะไปให้ศีลให้พรใครประตามก็ไม่สามารถที่จะศักิ์ศิ์ได้หรือจะเกิดสวัสดีมงคลกับบุคคลอื่นได้แต่ถ้าผู้ใดที่ใช้วาจาในทางที่ดีอยู่เสมอ เป็นผู้มีศีลวาจานั้นก็เป็นวาจาที่ดีให้ศีลให้พรใครก็ย่อมจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นโยมจะสังเกตว่าเวลาพระท่านจะรดน้ำมนต์ให้เราก็ดีจะเป่าขมมให้ก็ดีท่านทำปากขมุบขมิดที่ปากขมุบขมิดนั้นนะท่านสาทยายมน์เพราะว่าท่านจะเป่าอะไรให้กับใครก็ตามปากของท่านจะต้องเป็นมงคลเสียก่อน ปากเป็นมงคลก็คือมีปกติแล้วจะต้องสาธยายสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านจะบริกรรมอิจิปิโสพัควาอรหังสัมมาสัมพุโทโภเหล่านี้การบริกรรมในสิ่งทหลายเหล่านี้อยู่เสมอก็คือการสร้างมงคลให้เกิดขึ้นแก่วาจาของท่านวาจาของท่านจึงเป็นวาจาศิดเพราะโดยปกติแล้วเมื่อท่านใช้วาจาในทางที่ดีย่อมจะศัจติดเด็ีบางคน